แล้วอาจารย์พระอาจารย์นะคะฟังเทศแล้วก็รู้ึว่าเห็นคุณค่าของการเจริญมรณาสตินะคะแบบนี้เราจะมีวิธีการเจริญยังไงเนื่องจากว่าเคยได้ยินว่าถ้าเราเจริญกับคาสติปัญญามันทําให้เกิดการหดหู่แล้วก็อาจจะเศร้าหรืออาจจะทัให้การฆ่าตตายได้นะคะอะคะเจิญมรณาสติเ น, นี่ยมันมี2 ส, ส่วนนะสส่วนคือว่าส่วนแรกเป็นส่วนที่พิจารณาความจริง ความจริงที่ว่าเราต้องตายแน่นอนข้าเดือนกันก็ไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ซึ่งหมายความว่าจะตายสิปีหน้าปีหน้าเดือนหน้าพรุ่งนี้หรือวันนี้ก็ได้นี่ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือว่าแล้วถ้าเราต้องตายวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราพร้อมไหมเราทำความดีมาพอหรื อ, อยังหน้าที่ที่ควรทาเราได้ ทำเสร็จสิ้นหรือเปล่าแล้วเราพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งไหมเพ<ม>ราะถ้าเราปล่อยวางไม่ได้เราก็ตายไม่สงบและถ้าเรายังมียังมีหน้าที่ที่ยังต้องค้างคาเราก็จะไม่ยอมเราก็จะต่อสู้ขันขนความตายส่วนใหญ่เนี่ยไปพิจารณาแต่ข้อแรก ว่าฉันต้องตายแน่ๆเลยแต่ไม่ได้ไม่ได้มาสู่ส่วนที่สองคือว่าเราพร้อมไหมเราพร้อมหรือยังไอ้ส่วนที่สองนี่ยมันกระตุ้นให้เราเนี่ยขนขวายทำความดีขนขวายทำหน้าที่แล้วก็เห็นความสาคทาการ